จะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนสิบไม่โกรธในเหตุอันไม่ควรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตสิประการนี้แลอาฆาตะปฏิวินยสูตรที่สิบจบอากังขวักที่สามจบรวมพระสูตรที่มีเนวักนี้คือ 1. อากังขสูตร 2. กันตะกะสูตรส อิทธธรรมสูตร 4. อวัติสูตร 5. มิคษาลาสูตร 6. กโยโยธรรมสูตร 7. ก้กากะสูตร 8. นิคันทสูตร 9. อาคาตะวัตุสูตร 10. อาคาตะปฏิวินยาสูตร 4. เทระวัคหมวดว่าด้วยพระเทระหนึ่งวาหุนสูตรว่าด้วยพระวาหุนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสะักะคราโบครณีเขครงจำปาครั้งนั้นแหลท่านพระวาหุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงสลัดปราศจากหลุดพ้นจากธรรมเท่าไรหนอจึงมีพระหัตัยปราศจากแดนอยู่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวาหูนะตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากธรรมสิประการจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ธรรมสิประการอะไรบ้างคือ 1. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากรูปจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 2. ตะตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากเวทนาจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 3. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากสัญญาจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 4. ตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากสังขารจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ ห้าตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากวิญญาณจึงมีใจปราศจากแดนอยู่หกตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากชาติจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 7. จ็ดตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากชราจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ 8. ปดตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากมรณะจึงมีใจปราศจากแดนอยู่ เก้าตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากทุกข์จึงม yes. ีใจปราศจากแดนอยู่ 10. บตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากกิเลสจึงมีใจปราศจากแดนอยู่วาหุณะตถาคตสลัดปราศจากหลุดพ้นจากธรรมสิประการนี้จึงมีใจปราศจากแดนอยู่เปรียบเหมือนดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกที่เกิดในน้ําเจริญในน้ํา ขึ้นพ้นจากน้ำไม่ติดอยู่กับน้ำฉะนั้นว่าหุนสูตรที่หนึ่งจบสองอนันทสูตรว่าด้วยพระอา น, นุนครั้งนั้น ท่านพระอาน o n เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าอาน o n หนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีศรัทธาจากถึงความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมวิ น, นัยนี้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ทุศีลจากถึงความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมวินัยนี้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้มีสุตตะน้อยจากถึงความเจริญงอกงามไพบูนในธรรมวินัยนี้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ว่ายากจากถึงความเจริญงอกงามไพบูนในธรรมวินัยนี้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้มีปาปมิตรมิตรช่วจากถึงความเจริญงอกงามไพบูนในธรรมวินัยนี้ 6. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้เกียดคร้านจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ 7. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้หลงลืมสติจากถึงความเจริญงอกงามภัยบูรในธรรมวินัยนี้ 8. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ไม่สันโดษจากถึงความเจริญงอกงามไัยบูรในธรรมวินัยนี้ 9. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกูุ์ผู้ปรารถนาชั่ว จากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 10. เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้เป็นมิจฉาทิฐิเห็นผิดจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้อานน์เป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิประการนี้แหลจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้อานน์เป็นไปได้ที่พิษุผูมีศรัทธา จักถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 2. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้มีศีลจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 3. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้เป็นหูสูตรทรงสุตตะจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 4. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้ว่าง่ายจากถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ 5. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้มีกาลยาณมิตรมิตรีจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 6. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้ปรารจความเพียรจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้ 7. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้มีสติตั้งมั่นจากถึงความเจริญงอกงามไพยบู in ์ในธรรมวินัยนี้ 8. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้สันโดษ จากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิ น, นัยนี้ 9. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้มากน้อยจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิ น, นัยนี้ 10. เป็นไปได้ที่พิกษุผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวินัยนี้ <uate> อานนท์เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้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 อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระธรรมเทศนาของพระตถาคตแจ่มแจ้งในบางคราวแต่ในบางคราวกลับไม่แจมแจ้งพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุญญะภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่เข้าไปหาธรรมเทศนาของตถาคตจึงไม่แจมแจ้งแต่เมื่อใดภิกษุมีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้ง ปุณิยะพิสุเป็นผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แต่ไม่สอบถามสอบถามแต่ไม่เงี่ยโสฟังธรรมเงี่ยโสฟังธรรมแต่ไม่ทรงจำธรรมไว้ฟังแล้วทรงจำธรรมไว้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้แต่ไม่รู้อาจไม่รู้ธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมรู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วแต่ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคําไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้มีวาจางามเจรจาถ้อยคําไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้แต่ไม่ชี้แจงให้เพื่อนพรมจารีเห็นชัด ไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เร้าใจให้อาถานแกล่ า, ลาไม่ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงทำมีคถาของตถาคตจึงไม่แจ่มแจ้งปุญญะแต่เมื่อใดภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งเข้าไปหาหนึ่งเข้าไปนั่งใกล้หนึ่งสอบถามหนึ่งเงียโสตฟังธรรมหนึ่งฟังแล้วทรงจำธรรมไว้หนึ่ง พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้หนึ่งเป็นผู้รู้อัดรู้ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้หนึ่งชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาถานแกล้ากล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงหนึ่ง เมื่อนั้นธรรมเทศนาของตถาคตจึงแจ่มแจ้งปุนิยญะธรรมเทศนาของตถาคตประกอบด้วยธรรมสิบประการ น, นี้แหลจึงแจ่มแจ้งโดยแท้ปุนิยะสูตรที่สจบ พยากรณ์สูตรว่าด้วยการพยากรณอรหัตผลณที่นั้นแลท่านพระมหาโมคลานะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระมหาโมคลานะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมพยากรณ์อรหัตผลว่า เรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโพรมาจาร์แล้วทากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกําหนดรู้จิตของผู้อื่นย่อมซักถามสอบถามไล่เลียงภิกษุนั้น ภิกษุนั้นผู้ถูกพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกําหนดรู้จิตของผู้อื่นซักถามสอบถามไล่เลียงอยู่ย่อมถึงความเป็นคนเปล่าความไม่มีคุณความไม่เจริญความพินาศทั้งความไม่เจริญและความพินาศพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกำหนดรู้จิตของผู้อื่นกำหนดรู้ใจด้วยใจแล้วใส่ใจถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอท่านผู้นี้จึงพยากรณ์อรหัตผลว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบโพรมจาร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป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 เป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระธราคตทรงประกาศแล้ว 2. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักผูกโกรธมีใจถูกความผูกโกรธกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความผูกโกรธกลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระธราคตทรงประกาศแล้ว 3. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักลบหลู่มีใจถูกความลบหลู่กลุ่มรุมอยู่โดยมาก ก็การถูกความลบหลู่กลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระธะาคตส่งประกาศแล้ว 4. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักตีเสมอมีใจถูกความตีเสมอกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความตีเสมอกลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระธะาคตส่งประกาศแล้ว 5. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีความริษยา มีใจถ <ích. S 1> ูกความริษยากลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความริษยากลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 6. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักตรณนีมีใจถูกความตรหนีกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความตรณนีกลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 7. ท่านผู้นี้เป็นผู้มักโอ้อวดมีใจถูกความโอ้อวดกลุ้มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความโอ้อวดกลุ้มรุมนี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 8. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีมายามีใจถูก Soviet มายากลุ้มรุมอยู่โดยมากก็การถูกมายากลุ้มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 9. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วมีใจถูกความปรารถนาชั่วกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกความปรารถนาชั่วกลุ่มรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 10. ท่านผู้นี้เป็นผู้หลงลืมสติถึงความหยุดชะ ง, งักเสียในระหว่างที่จะบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงเพราะได้บรรลุคุณวิเศษชั้นตำ่ำ ก็การถึงความหยุดชะ ง, งักเสียในระหว่างนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสษุนั้นแหละและทำสิบประการนี้ไม่ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในพระธรรมวินัยนี้แต่เป็นไปได้ที่พิสูจนั้นแหละและทำสิบประการนี้ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในพระธรรมวินัยนี้ พยากรณะสูตรที่สจบ 5. กัดถีสูตรว่าด้วยการกล่าวโอ้อวดว่าได้บรรลุคุณวิเศษสมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่สหชาติวัน เจตณที่นั้นแหลท่านพระมหาจุนทะได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระมหาจุนทะจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ชอบกล่าวโอ้อวดในการได้บรรลุคุณวิเศษว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้ เข้าทุติยฌานก็ได ah, ้ออกก็ได้เข้าตติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตถฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอาคินจัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้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 กำหนดรู้ใจด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดซึ่งภิกษุนั้นอย่างนี้ว่า 1. ท่านผู้นี้เป็นผู้ทาศีลให้ขาดให้ทะลุให้ด่างให้พร้อยไม่ชอบทำต่อเนื่องไม่ประพฤติต่อเนื่องในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีลตลอดกาลนานก็ความเป็นผู้ทุศีล น, นี่แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้ 2. ท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธามีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 3. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีสุตตะน้อยมีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้มีสุตตะน้อยนีน้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 4. ท่านผู้นี้เป็นผู้ว่า ย, ยาก มีความประพฤติไม่สมควรก็ความเป็นผู้ว่ายากนี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วห้าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปาปมิตรก็ความเป็นผู้มีปาปมิตรนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 6. ท่านผู้นี้เป็นผู้เกียดคร้านก็ความเป็นผู้เกียดคร้านนี้แล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 ท่านผู้นี้เป็นผู้เลี้ยงยากก็ความเป็นผู้เลี้ยงยากนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วสิท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาซามก็ความเป็นผู้มีปัญญาซามนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนสหายพึงกล่าวกับสหายอย่างนี้ว่าสหายเมื่อใด ท่านมีกิจจำเป็นที่จะต้องใช้ซัพ์ท่านควรบอกให้เราทราบเราจะให้ซัพ์แก่ท่านสหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อมีกิจบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ซัพ์เกิดขึ้นจึงบอกกับสหายอย่างนี้ว่าสหายเราต้องการใช้ซัพ์ขอท่านจงให้ซัพ์แก่เราสหายนั้นก็ตอบอย่างนี้ว่าสหายถ้าเช่นนั้นท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้ สหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อขุดลงไปณที่ตรงนั้นก็ไม่พบทรัพย์เขาจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสหายท่านได้พูดหลาะและไร้าสาระกับเราว่าท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้สหายนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสหายเราหาได้พูดหลาะและไร้สาระกับท่านไหถ้าเช่นนั้นท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้เถิด สหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเมื่อขุดลงไปณที่ตรงนั้นก็ยังไม่พบทรับจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสหายท่านได้พูดหลอะและไร้สาระกับเราว่าท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้เขาจึงกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าสหายเราหาได้พูดหลอกและไร้สาระกับท่านไหมถ้าเช่นนั้นท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้สหายอีกฝ่ายหนึ่งนั้น เมื่อขุดลงไปณที่ตรงนั้นก็ไม่พบทรัพย์อีกจึงพูดขึ้นอย่างนี้ว่าสหายท่านได้พูดหล่ะแหละไร้สาระกับเราว่าท่านจงขุดลงไปณที่ตรงนี้สหายนั้นก็พูดตอบอย่างนี้ว่าสหายเราหาได้พูดหล่ะแหละไร้สาระกับท่านไม่แต่เราเองนี้แลถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนที่มิได้กาหนดรู้ด้วยใจแม้ฉันใด ผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ชอบกล่าวโอ้อวดในการบรรลุคุณวิเศษว่าเราเข้าปฐมฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าทุติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าตติยฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าจตุตทฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าอากาสานัญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้เข้าวิญญาณญจายตนะฌานก็ได้ออกก็ได้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 ท่านผู้นี้เป็นผู้ทุศีนตลอดกาลนานก็ความเป็นผู้ทุศีลนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระทัาคตทรงประกาศแล้ว 2. ท่านผู้นี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธานี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระทัาคตทรงประกาศแล้ว 3. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีสุตตะน้อยมีความประพฤติไม่สมควร ก็ความเป็นผู้มีสุตตะน้อยนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 4. ท่านผู้นี้เป็นผู้ว่ายากก็ความเป็นผู้ว่ายากนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 5. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปาปมิตรก็ความเป็นผู้มีปาปมิตรนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถ า, าคตทรงประกาศแล้ว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 เป็นไปไม่ได้เลยที่พิสูุนั้นแหละละทำสิประการนี้ไม่ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในพระธรรมวิ น, นัยนี้แต่เป็นไปได้ที่พิกษุนั้นแหละละทำสิบประการนี้ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในพระธรรมวินัยนี้กฐีสูตรที่หจบ อธิมาณสูตรว่าด้วยความสำคัญผิดสมัยหนึ่งท่านพระมหากัสปะอยู่ที่พระเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานเคครุงราชครณนะที่นั้นแหลท่านพระมหากรสปะได้เรียกพิสุทั้งหลายมากล่าวว่าพิสุผู้มีอายุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระมหากัสปะจึงเรียก่าวเรื่องนี้ว่า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 มีความสำคัญในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำว่าได้ทำมีความสำคัญในสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุว่าได้บรรลุย่อมพยากรณ์อารัตผลด้วยความสำคัญผิดว่าเรารู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจรพรหมจันทร์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ได้ฌานฉลาดในสมาบัติ ฉลาดในจิตของผู้อื่นฉลาดในการกําหนดรู้จิตของผู้อื่นกําหนดรู้ใจด้วยใจแล้วใส่ใจถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรหนอท่านผู้นี้จึงมีความสําคัญผิดสําคัญผิดโดยสัจจริงเพราะอาศัยสิ่งที่ยังไม่ได้บรรลุมีความสําคัญในสิ่งที่ยังไม่ได้ถึงว่าได้ถึงมีความสําคัญในสิ่งที่ยังไม่ได้ทําว่าได้ทํา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 ก็การถูกอภิชากรุมรุมนี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 2. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีพยาบาทความคิดร้ายมีใจถูกพยาบาทกรุมรุมอยู่โดยมากก็การถูกพยาบาทกรุมรุมนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 3. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีถีณมิทะ ความหดหูและเสื่อมซึมมีใจถูกถีนมิทะกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกถีนมิทะกลุ่มรุมนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระทตถาคตทรงประกาศแล้ว 4. ท่านผู้นี้เป็นผู้มีอุทัจจะความฟุง้งซ่านมีใจถูกอุทจจะกลุ่มรุมอยู่โดยมากก็การถูกอุทจจะกลุ่มรุมนี้แล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 มันประกอบความเป็นผู้ชอบการงานก็ความเป็นผู้ชอบการงานนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วเจท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบการพูดคุยยินดีในการพูดคุยมันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุยก็ความเป็นผู้ชอบการพูดคุยนี้แหลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว 8. ท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบการนอนหลับยินดีในการนอนหลับมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับก็ความเป็นผู้ชอบการนอนหลับนี้แหละเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระธัาคดทรงประกาศแล้ว 9. ท่านผู้นี้เป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมูยินดีการคลุกคลีด้วยหมูมันประกอบความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมูก็ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมูนี้แหล เป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตท ร, รงประกาศแล้ว 10. ท่านผู้นี้เป็นผู้หลงลืมสติถึงความหยุดชะงักเสียในระหว่างที่จะบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงเพราะได้บรรลุคุณวิเศษชั้นต่ำก็การถึงความหยุดชะงักเสียในระหว่างนี้แลเป็นความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตท ร, รงประกาศแล้วผู้มีอายุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พิสูจนั้นแล ละทำสิประการนี้ไม่ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในพระธรรมวินัยนี้แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นแลละทำสิประการนี้ได้แล้วจากถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในพระธรรมวินัยนี้อธิมานสูตรที่6จบ